เรื่องพุทธะทานายความฝันที่เป็นจริงตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยหอมนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบความพระสุขทุก ป, ประการจนบางเกิดมีเดยญาติโยมพุทธบริษัท ผู้่อที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้จนเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านนังหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกระทาคือถ้อยคําอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคําสัง่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านนังหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประชาตนะสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ทำมิกระทาที่ควรนำมากล่าวในวันนี้อืมอาจจะมาขอให้ชื่อหัวข้อเรื่องความฝันที่เป็นจริง ความฝันที่เป็นจริงี่เป็นชื่อหัวข้อที่จะนํามากล่าวทันใงหล้ยก็คงจะต้องมาคิดชะนสนเทกันบางระหว่างทาไมความฝันจึงเป็นจริงจึงเอาเรื่องราวนี้ขึ้นมาพูดความจริงเรื่องนี้ได้มีคันพูดจะเล่าขานกันมาตลอดเวลาอันยาวนานในกลุ่มของพระพุทธศาสนา ยัเรื่องความฝัน16ข้อของพ ร, ระเจ้าว์ปัตเซนที่โกศลในพระพุทธญาดิเล่าตาทํานายไว้ให้เห็นมันจะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตผู้ท้าผู้แก่ทางภาคกลางให้ชื่อว่าทํานายปัทเทเวนทำนายปัทเทเวนปัทเวนก็คือปัตเซนที่โกศลคนไทยคนลาวเราพูดอะไรสั้น ประเสริที่โกศลมันพูดยา ก, ก็เลยว่าปฐเวนไปเลยหรยว่าทำนายปฐเวนความฝันสิบหข้อของพระเจา้าประเสนิที่โกศล น, นี่อันหนึ่งละที่ความฝันแล้วมันค่อยๆมาเป็นภาพแห่งความเป็นจริงในฝันนั้นในรูปของความเปรียบเทียบและอีกประการหนึง่งก็ความฝันของพระพุทธเจ้าของเราเอง ก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ในคืนหนึ่งก่อนจะตรัสรู้นั้นท่านก็ได้ฝันอีกเหมือนกันในฝันนั้นก็บอกให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝันของพระพุทธเจ้านั้นก็มีเล่าไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็ในส่วนความฝันของประเสริฐที่โกศลนั้นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกอีกเหมือนกัน <c oughs> อยู่ในลักษณะของพระบาลีแต่อยู่ในคนละนิกายกันคงจะต้องนำมาเล่ากันไปพร้อมๆกันเพื่อประกอบและอีกประการหนึ่งในชาดกในชาดกที่เราได้ฟังกันบ่อยๆก็คือเรื่องพระเวสสันดรซึ่งมีในคุตตกนิกายชาดกอีกมือนกันในเรื่องพระเวสสันดร น, นี่ก็จะเกี่ยวกับความฝัน ความฝันของพนังมัตซีหรือว่ามัตธีคนอีสานว่านางมัตธีภาคกลางเรียกว่ามัตซีมัตทรีนั่นแหละแต่ในภาษาบาลีเขาเรียกว่ามัตธีมันถูกกับภาษาชาวอีสานพูดทางภาคกลางไปออกเสียงเป็นมัตีใ <c oughs> นตอนที่ชูชกจะมาขอเอาลูกน้อยทั้งสองในคืนนั้นนางก็ฝันในความฝันนั้นมันก็เป็นความจริงดังฝันนั่นแหละ ถึงแม้ว่าไม่จะเป็นเรื่องราวอย่างนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์สันส่นสะเทือนจิตใจอย่างเดียวกันแล้วก็ความฝันของพญาสนชัยผู้ครองกรุงศรีพีเชิดดดอนในขณะที่ชูชกจะจงหลานหลงทางพัดหลงขามาในเมืองในคืนนั่นพระเจ้ากรุงศรีผีก็ฝันก็ฝันอีกเหมือนกันแล้วก็เป็นจริงดังฝันนั่น ใแล้วก็ความฝันต่างๆเ่าเนี่ยมันมักจะมีมาให้เราเห็นบ่อยๆเป็นหลักฐานแต่ว่าความฝันของท่านทั้งหลายเอาแน่ไม่ได้นะนอนคิดปรุงแต่งไปแต่เรื่องเลขเรื่องเบอร์แล้วก็ไปพยายามฝันไปนกต้นไม้กาบภูเขากาบท่าน้นาแผ่นดินคอยฝันเห็นเลขสองตัวสามตัวอะไรต่างๆไปหาพระหาเจ้าก็าไปนิมนต์ให้ท่านฝัน แล้วเกิดพระอัหันอัลลมุนขึ้นบนภูเขาเหล่ากาที่ไหนก็ปีนตายกันไปเพื่อไล่ใครหยดหอบเกลงอยู่ของกินดีๆไปถวายพระอัลลามุนเหล่านั้นเพื่ออยากจะให้ท่านฝันพระอรหันก็เลยตายเป็นอัลลมุนฝันมากไม่ฝันก็ต้องฝันแหละทีเนี้ยเอย่างนี้เอาขึ้นต้นวันที่ก็พากันไปใหญ่เลยเราต้องการจะพูดในเรื่องความฝันที่เป็นจริงหรือว่าพุทธธรรมนาย ก็เลยเล่าเป็นแบทกล่าวเป็นไตเติ้ลไว้ก่อนว่าความฝันนี่มันเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ฝันที่จริงที่สุดประนานที่บอดีแอบราฮัมลิงคอลนชาวอเมริกานั่นก็ฝันเป็นจริงต่อมาก็ความฝันนั้นกลายเป็นจริงทีนี้ทำไมความฝันนั้นจึงต้องเกิดมาเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้ก็น่าคิดอีกเหมือนกันอโบราการ ท่านเคยตัดเอาไว้เรื่องความฝันนั้นมันมีเหตุของมันอยู่เรียกว่ามีความฝันเหตุให้เกิดความฝันมีอยู่หกประการหกประการหนึ่งวาติโกสุวินังปัสติฝันเพราะลมกำลเริกธาตุลมมันกำลเริกปั่นป่วนในท้องในทรานอนลาบไปฝันฝันตื่นขึ้นมาพอดีเลยปวดท้องพอดี ฝันมาปวดท้องสม้มท้องถ่ายอะไรต่างๆเติมมาอามันกํำเริฟมันก็ต้องไปจริงๆบางทีเด็กๆได้มันเยี่ยวใส่ที่นอนเยี่ยวรถที่นอนหรือผู้ใหญ่เยี่ยวรถที่นอนไม่มีสติฝันมาโดยเองไปเยี่ยวไว้อาบน้ำไปเยี่ยวมาเันหห่อไหลอ่ะนะจีกว่าวาติโกสุ ป, ปินังปสัสสติฝันเพราะรมกําเริฟปิติโกสุ ป, ปินังปสัสสตินี่อันที่สอง ฝันเพราะดีกำเริบน้ำดีกำเริบทำให้ไม่สบายในใะนะนะก็ฝันเซมีโกสปินังปสติเซมหากกำเริบเป็นขีกันเยอนอนหลับไปก็ฝันอีกแหละเต่ขึ้นมาก็เป็นจริงๆทีนี้มันมันสําสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันที่สี่เทวตูปังหารโกสปินังปสติฝันเพราะเทพสังหอน ฝันพระเทพสังหอ น, นี่คงจะเกี่ยวกับนางอย่างความฝันของนางมัธยีความฝันของนางมัธยีความฝันของพระญาสนชัยเหล่านี้เรีย่ฝันพระเทพสังหอนหรือความฝันของคนอยู่ดีๆแล้วฝันมีคนมาบอกเลขบอกหวยไปซื้อจริงๆก็ถูกเนี่ยเทพสังหอนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวดองข้องญาติภูพันุ์ กันมาด้วยบุญญาบรารมีเคยสั่งสมเคยอบรมมากก็เลยเกี่ยวดองของญยาิเลยมาฝันมาบอกให้ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์อรหลนบนภูไหนก็ฝันถูกเองที่เรียกว่าเทวตูปัสสังหารโกสุ ป, ปินังปรสสติอันที่สี่ฝันพระเทพสังขอนันทิห5สมุทาจิ น, นโตฝันจากประสบการณ์สมุทาจิ น, นโตส ป, ปินังปสติ ฝันจากสิ่งที่ได้สะสมไว้ในความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะอารมณ์อะไรต่างๆมันเก็บสะสมไว้อยู่ใน subconscious mind ปุ๊เป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้นะแปลว่าเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกหลับไปตื่นขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทำงานขันห้ามก็ทํางานของมันล แ, แล้วแต่เราไม่มีสติเราก็เลยไม่รู้ว่ามันฝัน ว่ามันเป็นจริงเป็นจังตืง่นขึ้นมาเต็มที่ความฝันก็สลายไปในเลวะสมุทาจินาโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์อันที่หกปุพพนิมิตโตสปินังปสัสสติบุญบาปทําไว้แต่ปางก่อนปรากฏเป็นความฝันนี่มันมีอย่างนี้อย่างความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของพระทรงองค์เจ้าที่ท่านทําสมาธิภาวนาอยู่ในป่าอยู่ในเขา บางทีท่านเครียดอยู่กับการเพ่งจิตอยากจะให้มันหลุดมันพ้นจิตมันจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิกัดเขี่ยวกับฟันเพ่งมีศรัทธามอบเจิตมอบใจให้แก่การปฏิบัติบางทีท่านหลับลงไปเนี่ท่านฝันนะฝันเป็นตัวเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นเสียแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆเป็นความจริงขึ้นมา สองปี้ามปีสี่ปีห้าปีเป็นความจริงขึ้นมาบางทีฝันว่าตนเองเนี่เห่อเฮ้นเดินอากาศล่องลอยไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพสาลไปพบความช่วยสดงดงามกลมก่อนแม่กูเขาเรากามองเห็นผู้คนข้างล่างเยอะแยะเติมขึ้นมาในจิตที่กำลังเครียดอยู่กับการเพ่งประทำความเพียรวันนั้นสบายใจ เมือนกับจะก้าวหน้าแล้วมันก็ก้าวหน้าจริงๆสติคำปัญญะแกก้าขึ้นมาสมาธิสงบระงับมากขึ้นรั่วอะไรเห็นอะไรมากขึ้นนี่เรียกว่าปุพพะนิมิโตสุปินังปสัสสติเรียกว่าบุญบาปทําให้แต่ปางก่อนในปรากฏให้เห็นเป็นความฝันนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ทางฝ่ายอภิธรรมาก็มีเพิ่มขึ้นมาเอกเป็นพิเศษของฝันเขาบอกว่า ปุพภะสมุทาจินาตานิมิตโกสุปินังปสัสสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนในชาติก่อนได้สะสมไว้ ย, ยังไงบางทีปรากฏฝันเอาอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะท่านทั้นหลายช่วยฟังให้ดีท่างกะว่าปุพภะสมุทาจินาตานิมิตโกสุปินังปสัสสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนบางทีไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยคิดรับ กานอนลับไปฟันเห็นเหตุการณ์เห็นสถานที่เก่าเ่าซึ่งในชีวิตจริงๆเราก็ไม่เคยพบเห็นฝันเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ก็เหมือนรู้จักบางคนน่ะเข้าไปกว่านั้นฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องซึ่งเป็นคนละเชื้อชาติต้นชาติมาหากันบอกฉันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตั้งแต่ชาติก่อนอยู่ตรงโน้นตรงนี้อย่างนี้มันก็มีนะหรือบางคนก็ฝันเห็นคนนเป็นเพื่อนเป็นฟุ้งการ มาบอกเป็นห่วงซื้อเอาสเสดร์ตัวนั้นตัวนี้ไว้ฉันคอยเป็นห่วงเจ้าหลายไว้เถิดเนี่ยคือทีสะสมไว้ในชาติก่อนๆนู่นเคยเป็นเพื่อนเป็นฟงกันเหมือนอย่างพระพาหิยะทีงวชนตายเรือแต่แก้ผ้ามาอยู่ตั้งแปดเก้าปีรอยคนในทะเลขึ้นมาเกาะขอรอยน้ำได้เจ็วันที่เบืองข่าทารุจิริยะ เส็จแล้วคนทั้งหลายก็ตื่นเต้นเขาบอกว่าเป็นพระ อ, อรหันต์ตนเองก็เลยส้วมบทบาทมาดพระ อ, อรหันต์มันเสลยตั้งๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรใครเอาผ้ามาถวายกอดไม่เอาไม่นุ่ ง, งไม่ห่มทั้งนั้นเปรยกายเลยคนก็เคารพ บ, บูชาสร้างวัดสร้างว่าให้ใหญ่โตโดดเดี่ก็นุ่งใบไม้มันต่อไปตลอดเวลาเก้าปีในวันหนึ่งท่านคิดของท่านว่า ท, ท่านนี่คือพระ อ, อรหันต์องค์หนึ่งคนจึงมาเคารพกราบไหว้เหมือนพระ อ, อรหันตตาเจ้าทั้งหลาย ถ้าหาเราไม่เป็นพระอรหันต์จริงเนี่ยเขาจะมากราบมาไหวมาถาวายสักการะเราทําไมถ้าอรหันต์มีในโลกเรานี่แหละคนหนึ่งหนึ่งในอรหันต์ทั้งหลายแต่คิดของท่านยังยิ้มจ้องอย่างจริงพยองเลยทีเดียวเขาเอาลาบตะกร้ามาเป็นเครื่องวัดในขณะนั้นท่านนอนหลับท่านก็ฝันแต่ในอธิฐกฐาก็บอกว่าไม่ได้ฝันมีตัวจริงๆมาบอกเลยว่าท่านนั้นไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหั์มุนอะไรดอก การกระทำของท่านนั้นเป็นเพียงการหลอกลวงโลกเข่านั่นหนทางที่จะไปเป็นพระอรหัน์ไม่มีอยู่ในปฏิปทาของท่านนู่นพ่ออรหันยู่นเหนือ น, นี่ขึ้นไปร้อยยี่สิบยอดนะครหนึ่งมีชื่อว่าสาวัฏถีมีวัดวารามใหญ่โตชื่อเชตะวันพระอรหันแต่สมมาสัมผัสเด็ชาวอยู่ตรงนั้นอยากเป็นพระอลหันจริงก็ตรงไปตรงโน้นว่าอย่างนี้ข้าใหญ่ก็สลดใจก็ต้องเดินทางมันทั้งคืนเลย ว่ากันว่านั่นสิที่มาบอกนั่นเป็นสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนอุปภสมุทาจินตานิมิตโก้ว่ากันว่านในอัธกถาเทวดาที่มาบอกนั้นเป็นเพื่อนกันแต่ชาติก่อนเคยบวชด้วยกันประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันสี่คนสามคนเดี๋ยวนี้ยังเป็ น, ปนพ่อคาอยู่ทางเบืองชายแดนคนที่สาคืออาภาห h ย a แล้วก็เรือแตกรอยคอมาเป็นพระ อ, อรหันต์เกยอยู่ตรงนี้ ส่วนองค์ที่สี่เป็นเทวดานั้นบอกว่าเ ด, ดบรนลุอนาคามียไปอยู่นู่นสุทาว่านูน่นมันเป็นอย่างนั้นก็เลยมามาบอกสงสารกันเพื่อนเก่ากันเนี่ยนี่เป็นเหตุให้เกิดฝันความจริงสิ่งที่เรียกว่าปุพพสมุทาจินนตานิิธิโกเนี่ยสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนนั้นก็พอจะอนุมานได้กับคำว่าสมุทาจินโตสุปินางปสติฝันจากประสบการณ์ ประสบการณ์ตั้งแต่ย้อนหลังไปวันนี้เมื่อวันนี้เมื่อซีนี้ก็ถือว่าเป็นชาติก่อนได้นะไม่ต้องตายเน่าเข้าลงแล้วมาเกิดใหม่ชาติก่อนคือปร ะ, ละโลโกโลกอื่นขณะอื่นจากขณะนี้เพราะเหตุ น, นั้นอันนี้ก็สรุปเข้าเป็นอันเดียวกันได้เดีวยวว่าปุพพสมุทาจิ น, นตานิมิติโกสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์ก่อดีฝันจากสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนก็อดเองทีนี้มีฝันแบบวอภิธรรม ฝันแบบอภิธรรมนี่ก็ก็ต่อมาเอกมีเขาว่าคาตุขโขพโตสปินังปสติฝันพอธาตุปแปลป่วนพระเวตตันดรเคยพูดกับนางมทัทีนางมัทีฝันในคืนนั้นนะฝันในคืนนั้นหากฝันเพราะเทพสังขอนเทวทูปะสังหารโกเทวดาสังขอน สงสารนางและเกิดมาพรุ่งนี้แล้ะหนอะนางจะมีความทุกข์ขืนขมโทมนัสปริเทวนาการลูกสุดที่รักดังดวงตาดังหัวใจจะพัดพากจากเธอไปในขณะที่เธอเข้าป่าดงพงไพหาหว่ามันลูกเมยเพราะขณะนี้ไอชูชกกำลังแขวนไปนอนอยู่ใกล้ๆก็ระท่อมอาสมของนางโดยนางไม่รู้จักอะไรเลย ชงนี้นางเข้าไปชูชงก็จะมาข อ, เ, อาเด็กสองคนไปแหมเทวดาทนไม่ได้สงสารนางเหลือเกินผู้มีแต่คุณงามความดีปฏิบัติลูกปฏิบัติผัวอยู่ในป่าดงพงไพ่หาหัวมันผลหมากรากไม้บ่าเลี้ยงแหมเทวดาทนไม่ได้ก็ะเลยเทวทูปสังหาราโกสุติยังประสติเทวดาก็เลยสังขอนทำให้นางกระวนกระวายร้อนผ่าวูอยู่ทั้งตัวจะหลับก็ไม่หลับ พีกไปพีกมาเดี๋ยวลมรล้ลอนกับพัดวู้มาจากเวิงผานหน้าเขามาปะทะยอดไม้พลายพึิบมาถูร่างกายของเราของนางเหมือนกับลมพัดมาจากขุมโอเวจีมหานรกนางแปลกใจกาวนกวายลําบากลําบนใจเหลือเกินทําไมนอนไม่หลับแล้วข่อนรุ่งนางก็ไม่หลับไปในขณะที่ไม่หลับไปนางก็ฝันฝันเห็นบุคคลตัวใหญ่หญร่างกายกำยำร่ำําสันหน้ากลัวมือ นาตาทํามึงถึงแยกเขี้วกล้ามเป็นมัดๆเหมือนยักษ์ปะกลันเอาดอกไม้สีแดงคาดุ่งผ่าเตี๋ยวสีแดงเสือไม้ใสมือขวากําดาบมันวบับเขาปราบเลยมือซ้ายก็กระชากประตูยกตีนขึ้นกระทือประตูเข้ามาหาหนางแล้วมือซ้ายก็จับผมนางล่างออกมาตัดตีนสีมือแล้วควักเอาดวงตาเอาหัวใจนางมาแวหววหุยนางขอร้องอ้อนวอนขอ ครขาออภัยขอชีวิตเอาไว้เอกคนนั้นมันไม่ฟังมันตัดตีนสีลมือตัดเท้าตัดแขนมาทันทีเลยพา อ, อกแหวะ อ, อกเอาหัวใจออกมาคายี่ควักเอาดวงตานางตื่นขึ้นมาพางลูกดูขาดูแขนดูตาดูอะไรยังมีอยู่ใจเต้นตูมตามร้องไห้น้ําตาไหลหนองหน่ายเหุการณ์เช่นนี้จะต้องมอีแกชีวิตเราแน่แน่ความฝันนี้ก็เลยพิธาเวทสันดรนยังไม่สว่าง โอเวชันดอนก็เลยสวนออกมาใช้อีกอันหนึ่งว่าคาตุโขพโตสุ ป, ปินังปจัจสติมาเฉยว่างั้นดูก่อนพระนางความฝันของพะนาง น, นั้นเพราะธาตุแปลปลุนเคยอยู่ในพระบรมมหาราชะวังเคยอยู่เย็นเป็นสุขขั้มกางพรมอันนุ่มนิ่มยู่ดีกินดีมีคนป้อนหิวห้อยอะไรต่างๆแต่บัตรดีนาง ม, มาอยู่ในปา่าในเขากินเผือกกินมันหัวมันลูกไม้อะไรต่างๆนางคนทําอะไรไม่ได้ เออย่างสมัยก่อนแล้วในที่สดท่าดมันก็เลยแปลปวนมันก็เลยฝันไปทั่วเอาเอาเนยนอนไม่ได้ที่เรีวาทาตุขโขพโตสุปินังปัสติฝันเพราะท่าดแปลปวนเนี่ยความจริงนางฝันพ่อว่าเทวดาเทวดาสังขรเทวะดูไปสังหาโกสุปินังปสัสติแต่พระเวทสันดรก็ยักเอามาตอบว่าทโโตาตุโขพโตฝันเพราะท่าแปลปวนเนี่ยอันหนึ่งนะ แล้วอันหนึ่งฝันอีกแบบนี้นพิธรมอนุภูตะปุพัตโตอารมณ์ที่ได้สะสมก่อนก่อนให้เก็บมาให้ฝันอย่างหูได้ยินเสียงตาได้เห็นลูกพอออกพอแจอะไรต่างๆในกลางวันเรื่องในวันก่อนในนี้คนก่อนหลับไปก็ฝันเหมือนคนเคยสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่มาตั้งนานแล้วหปีสิบปีนอนหลับไปก็ยังฝันได้สูบบุหรี่บางทีตื่นมาว่เอ๊ะทำไมเรายังฝันสูบบุหรี่อันนี้เลยหรือว่าอนุภูตะปุพตโตสุปินังปัสสติ อารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆมันเก็บมาความจริงเหล่านี้ก็สรุปอยู่ในด้วยกันได้ที่ว่าอนุภูตปุพาโตอารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆใ น, นเก็บมาก็พอจะอนุโลมเข้ากันได้กับคําว่าสมุทาจินาโตจากประสบการณ์ต่างๆก็เก็บมาแล้วอันที่สามแบบอภิธรรมเรืยองว่าเทวตโตประสังหะลโกเทวดาสังหนบอกเหตุ อันนี้เราตรงกับคําที่กล่าวมาแล้วที่นางมัททีเดฝันเทวเทพะเทวทูปสังหะโกสุปินังปฏิอันเดียวกันปุพานิมิตโตอํานาจบุญและบาปมันก็ตรงกันเป็นอันว่าในในในในอภิธรรมเนี่ยฝันแบบอภิธรรมจะมีอยู่สี่อันและฝันแบบพระสูตรแบบวัจจะกระถายไปรวบรวมมาอีกก็มีอยู่หกอันรวมแล้วเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นแต่เพียงแต่ใช้สัพ์ผิดกันไปนิดหน่อย สลุปอีกทีหนึ่งว่าความฝันนั้นมันมาจากเหตุหกอันว่าติโกสุปินังปัสสติฝันจากเพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะดีกำเริบไปโรงพยาบาลบ่อยๆทุงน้าดีอักเสบอะไรต่างๆตาเื่อะไรขึ้นมาเนี่ยอันที่สามเทมิโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเสมหะกำเริบเป็นคีกรยือหายใจไม่ออกกัางคืนนอนหลับๆก็ฝัน อันที่สี่เทวตูปั้งหาระโกสุปินังปัสสติฝันพอเทปทั้งฮอนอยู่ดีๆฝันเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นบุคคลที่ไม่เคยคุ้นไม่เคยรู้จักแต่เป็นเมืออกับรู้จักกันมาบอกเหตุบอกลางอันนั่นจะเกิดขึ้นอันนั่นจะมีไหมอย่างนี้อันที่ห้าสมุทาจินาโตสปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์จะได้เก็บสะสมมาจากอารมณ์เก่าๆอันที่หกปพุพพานิมิโตสุปินังปัสสติบุญบาปได้ทําไว้แต่ปางก่อนปรา ก, ก่เห็นเป็นความฝันอย่างไปอย่างนี้ หกอันนี้จะรวมกันแล้วมันอยู่เพียงเท่านี้แต่เอามารวบรวมมันเก็บโน่นมาเก็บนี่มามันก็มีมีประมาณสักสิบเอ็ดอันแล้วก็สรุปลงด้วยกันได้เอาละเป็นอนุภาวันนี้เราจะพูดกันเรื่องความฝันทุกคนก็เคยฝันเมื่อพูดถึงความฝันนี่ใครๆก็รู้เออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สําหรับคนที่ไม่เคยฝันเลยคงจะแปลกประหลาดคงจะมหัศจรรย์มากว่าอะไรคือความฝันก็อ น, นอนอยู่ดีๆฝันไปโน่นไปนี่คงจะแปลกใจ เพราะเหตุ น, นั้นทุกๆคนเคยฝันฝันใ้เรื่องฝันเป็นความจริงบ้างฝันไม่จริงบ้งฝันไม่เกี่ยวอะไรกับความเป็นอยู่ของเราเลยก็ได้ฝันมาจากประสบการณ์ที่เก็บสะสมมาจากอารมณ์ต่างๆอะไรทำนองเนี้ยเพราะเหตุ <ๆ S 1> นั้นเรื่องความฝันที่เป็นจริงนี่เราเอานํามาพูดนั้นเพราะว่ามีคนได้ขอร้องให้อัตามามาไลายทิศไล่าทางทางมุกดาหารหนงก็ดีทางเมืองอุบลก็ดี ทางนครพนมมีคนเขียจนจดหมายมาว่าอยากจะให้ท่านได้เล่าเรื่องอืมพุทธธรรมนายอะไรต่างๆที่คนโบราณเคยเล่าบางคนบอกว่าเห็นท่านพูดนี่เหมือนพูดเท่าผู้แก่ก็อยากแกฟังก็เลยไตยเต้นมันสยาวจืดเลยเพราะว่าความฟันนี่มันมีบางครั้งก็เป็นจริงดังกล่าวแล้วประธานาทิบอดีลิงคอนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนเคารพนับถือรักมากบุกคคลคนได้มีส่วนสร้างสรรค์อเมริกาให้ เด่นดังให้ยิ่งใหญ่โตปดท่าเลิกท่าออกมาแบบสมัยพระเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชของเราบอดีการรวบรวมสหรัฐอเมริกาให้มาเป็นยูเนี่ยนออฟอเมริกานั้งแต่คนนี้เป็นคนเด่นมากแต่วันหนึ่งก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตไปสิวันประธานาธิบดีลิงคอนนี่เดนนอนหลับไปเพราะคนนี้เป็นคนขยันมากไม่ได้เลิกงานมาดึกดึๆยยังฝาฟืนเองนะ ชาวบ้านได้เห็นแก่ฝาพื้นนั่นประธานาธิบดีฝาพื้นแต่ไมก่อนโลกมันยังไม่เจรละฝาฟื้นเสร็จอาบน้ำอาบท่าก็เข้านอนในขณะที่นอนหลับไปใกล้สว่างก็ฝันฝันยังไงถูกไหมแคฝันเห็นความเงียบนี่มเหมือนตายเลยไปไหนมาไหนเงียบนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนวิเวกวังเวงแล้วความเงียบนั้นได้ถูกทำลายไปได้วยเสียงร้องไห้ระงมขืนของพระทมทุก์ เหมือนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรันทดความทุกข์ยากลำบากและก็แปลกใจไม่เห็นใครมีจะเสียงร้องไห้มึงเสียงนั้นร้องไห้เงียบก็เดินขึ้นไปชั้นบนก็เห็นไฟสว่างสว่างไม่มีใครในบ้านตนเองเดินลงมาชั้นล่างก็เห็นทหารยามยืนถือปืนอยู่เดินเข้ามาหาแล้วก็เห็นลองศพอยู่ข้างๆแล้วก็เลยถามว่านั่นอะไรทหารยามบอกว่าศพขับผมมาฝ้องศพศพใคร ก็บอกว่าศพของท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายหยิงตายอพอผู้อย่งงบอกว่าอือชอบคนโกประธานาธิบดีก็คือเราเนี่เองแต่ทำไมเออเรายังยังอยู่ประธานาธิบดีไหนอีกแล้วฮังก็ตื่นตื่นมาก็ซึมกันเถอคิดเออทาไมมันฝันอย่างนี้ทําไมฝันอย่างนี้ตลอดเวลาเจ็ดวันแปดวันถึงวันที่เก้าเช้ามาวันที่เก้าฮังเลยนั่งรถมาไปกับสีภรรยาของท่าน ภรรยาก็เลยถามว่าหมูน่นี้รู้สึกว่าเห็นอาท่านปัะธานาธิบดีงเงียบเหงางซึมเศร้าไม่ค่อยพูดค่อยจ้าไม่ร่าไม่เริงเหมือนก่อนท่านมีอะไรในจิตในใจหรือปัะธานาธิบดีลิงคอนก็บอกว่าอืมฉันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าฉันฝันแปลกๆภรรยาก็ถามว่านี่เธอเธอเชื่อความฝันด้วยหรือมีแต่ยายแก่เท่านั้นเนี่ยเขาเชื่อความฝันท่านก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกแต่ฉันฝันแปลกๆ ถ้าหาความฝันนี้เป็นจริงเรื่องราวในศาสนาในคัมภีร์ไบเบิลในคัมภีร์ศาสนานั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็บไหลจังเกิดไปภรรยาหาว่าเธอฝันว่าอะไรท่านก็นเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นความเงียบเงียบเหมือนตายนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหอนโหยหวนวิเวกวังเวงหน้าหวาดสะพึงกลัวที่สุดเลยพอเสียงสุนัขเห่าหอนเงียบไปก็ได้ยินเสียงร้องห่มร้องไห้ปริเทวนาการคืนของระทมทุกข์เหมือนกับโลกทั้งโลกเต็ไมไปด้วยทะเลแห่งความทุกข์ หยาดน้ำตาของดินฟ้าอากาศเหมือนจะเป็นแต่ความคลื่นรันทดใจร่วงหลงลงมาเมื่อเสียงร้องไห้เงียบฉันขึ้นไปข้างบนก็เห็นแต่แสงไฟและฝันว่าลงมาข้างล่างเห็นทหารยามยืนถือปืนเฝ้าลงศพถามว่านี่อะไรเขาบอกว่ามาเฝ้าลงศพศพขายท่นนปริญนาที่บดีถูกคนร้ายยิงตายวาอย่างนี้แต่ภรรยา น, นั่นฟังอย่างเงียบก็แลืว ความฝันเธอนะ่ากลัวจริงนะแต่แต่ว่าความฝันก็คือความฝันไม่มีใครเชื่อความฝันนอกจากยายแก่เท่านั้นแต่ประธานาธิบดีก็บอกว่าจริงสิโชคดีนะที่ฉันไม่เชื่อความฝันแต่ฉันเชื่อความฝันนี่ฉันคงจะทุกข์ตายในความฝันนี่แหละกันเล่าอย่างนเนี้และในขณะที่เล่าให้ปรรยาฟังตอนเช้าตอนเย็นก็ไปดูละครที่โรงละครแห่งชาติกำหนดจะไปดูละครเนี่ยกำหนดไว้ก่อนแล้วละ่ะแต่วันนั้นไปช้าไปหน่อย ละครก็าก็เล่นไปก่อนพอประธานาธิบดีไปถึงละครการแสดงก็เงีบทุกคนยืนขึ้นร้องเพลงแบบว่าเราร้องเพงเลงสรรเสริญพระบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรงหนังก่อใช้หรือว่าใช้หนังจบอัตมาเคยจำได้ตอนเป็นคารวาหพอใช้จบคาบราพูทาเจ้าโรถทุกคนลุกทวกนี่ก็เหมือนกัเมื่อท่านประธานาธิบดีเดินขึ้นไปแล้วถึงโรงละครทุกคนก็นเงียบ แล้วก็ยืนก็ร้องเพลงสรรเสริญเท to the Chief ปรากฏว่าพอเพลงสรรเสริญเท to the Chief จบลงไปท่านก็นยืนรับฟังการร้องเพลงที่สรรเสริญ น, นี่นนะพอเสียงเพลงจบเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นเขายิงมาจากตอนบนสายหัวทรรมัฒนาเทบดีเลยและก็ตายมีความฝันนี้ก็เป็นยิงอีกแหละ เหตุนั้นทำเป็นเล่นเป็ท่าทันตราจุงจนต่างหลายความฝันเป็นจริงก็อนมีอาเลมาจึงอนํามาเล่าโสศท่านต่างหลายฟังนี่คือความฝันที่ที่ที่เป็นจริงอันหนึ่งในโลกยุปัจจุบันทีนี้มาดูความฝันของพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะเล่าต่อไปถึงความฝันของพระเจ้าประเซนที่โกศลวันนี้ถ้าเวลามันหมดไปอย่พูดวันใหม่กันต่อไปเราไปรีบไปร้อนพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยฝัน ก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิญาณไปเปิดพระไตรปิฎกฉัทรสูตรพรมนาวักปัญจการใบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อดิ่หนึ่งร้หน้าที่สองพระพุทธเจ้าท่านเคยเล่าให้แก่พิสุท์ทั้งหลายฟังว่าดูก่อนพิษุทั้งหลายเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์จบความฝันอันยิ่งใหญ่ ห้าประการนี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก็ปรากฏแก่เราท่นว่าอย่างนี้และห่างกัเล่าให้ฟังกอที่แรกนั้นท่านฟันเห็นตนเองนี่นอนคับแผ่นดินเอาหัวนีเอาเขาเสนนุราชเป็นหมอนหนุนนอนต่างขัเหนยมือเท้าสองข้างยอนลงในมหาสมุทรทั้งสิบท่นว่าอย่างนี้ตระตัวอย่งมหาปทวีมหาสยานังอโหสิมหาปทวีแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ไปสารมหาสนางังนอนคับแผ่นดินเลยทว่าอย่างนี้ แล้วข้อที่สองท่านบอกว่าฝันเห็นพวกอืหญ้าหญ้าเกิดขึ้นตั้งแต่สะดือแทงขึ้นไปถึงถึงฟ้าว่าอย่างนี้ติริยานามตินะชาติจะเรียกว่าหญ้าอะไรหญ้าหญ้าหญ้าตินะชาติหญ้าติรยานามาเขาแปลว่าเป็นหญ้าคากันแล้วกันบางคนก็เรียกหญ้าคาว่าหญ้ากุศ กูซาได้เคยไปเห็นที่ประเทศอินเดียมันหอมๆนะ น, นิ่มๆเป็นการนั่งแต่ติริยานี่คงจะเป็นหญ้าขาบอว่าเกิดจากสะดือแทงจากสะดือนี่เกินไปทะลุฟา้าข้อที่สองยังมีอีกที่สุดต่างหลายข้ออื่นอีกยังมีอีกจะบอกว่าปุ๊น่ะจะป ร, ะรังพิกเวตถะกัตสะค่ะโตสมาตพุทธัะปุพเพวสัมโพธานะสัมพุทธสะโ พ, พธิสัตส ต, ต, ตั์ไสววสโตเสตากกมีกันหะศีสา ปฏเเทหิอุสกิตาวายาวาชานุมันทลาปฏิชาเถซึ่งขออภัยภู้พิษาบาลีอย่างนี้แต่ว่าพิสุต่างหลายข้ออื่นยังมีอีกเมื่อก่อนเรายังไม่ตัดสู้เราอยู่เป็นโพธิสัตว์อยู่นั่นเราเราได้ฝันเห็นนอนตัวข า, ขาวๆเ ส, สตากิมียเศตากิมีกิมีกมีชาติแปลว่านอนนอนตัวข า, ขาวๆกันหะสีสาหัวดําๆกันหังไปบดัม กันหาศีสาปะเิอุสกิตวายาบชานุมันทลาปฏิชาเทสุงท่านบอกว่าหนอนตัวเขาขาวหัวดำดำคานโวเยขึ้นมาตามเท้าจนถึงหัวเข่าของเรานะและท่านก็บอกว่าข้ออื่นนีมีอีกข้อที่สี่ท่านฝันเห็นนกบินมาจากทิศต่างๆสีต่างๆกันจัตตารโรสกุณานานาวันนานานาวันนาเรียกว่ามีสีต่างๆกันนก บินมาทั้งสี่ทิศเจตโรสกุณานานาวรรณาเจตูหิจิสาหิอาคันตาวาปาทมูลเลนิปติตาวาสพสเสตาสัมปชิงสุขนกซึ่งบินมาจากทีต่ต่างๆมีสีต่างๆกันสกุณานานาบรรนาบินมาทั้งสี่ทิศมาแล้วก็มามอบลงที่ใตไไ้ตีนใกล้ๆตีนนะปาทมูลเลอาคันตาวาปาทมูลเล นี่ปฏิตา ว, วาได้มามอบราบอยู่ที่เบื้องอบาทของเราแตถาคตสัพเพสตาสัมปจิงสุนก้งหลายเะนั้งก็กลายเป็นสีขาวเหมือนกันมดท่านฝันอย่างนี้ท่านฝันอย่างนี้ฝันข้อสุดท้ายทิ่ษุทั้งหลายเราฝันว่าเดินเข้าไปเหยียบบนกองมูดกองพูดพูดง่ายว่า เดินไปบนกองมูดกองขูนก็คือกองอุจจาระเท่าภูเขาเท่าเม่ว่าเราฝันว่าได้เดินเหยียบไปบนกองอุจจาระกองปฏิกูลกองมูดกองขูดเท่าภูเขาแต่ไม่แปดเปื้อนเรานี่นี่คือความฝันของพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ พระศาสดาได้ศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองตลอดเวลาทั้งหกปีทรงทรมานพระองค์ทุกอย่างหลังเย็นนั้นพระองค์ก็มาละลึกได้ว่าการที่จะทรมานตนเองนี่มันเป็นทุกข์ถึงที่สุดมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้กิเลสมันมีอยู่ในกายในจิตถ้ากายกับจิตนี้ยังไม่ดีไม่งานเพียงพอจิตยังไม่มีสติปัญญาเพื่อจะชำแหละกิเลสเพื่อจะไทยทอนเพื่อจะปลดเปื้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ได้ มันไม่อยู่ที่กายเรามาทรมานกายทําไมทุกโคนํามาซึ่งทุกอนาริยโยไม่ใช่ทางของพระอริยเจ้า อ, อนัตตาสั้นยิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็มานึกถึงว่าร่างกายที่มันสูบซีดเหล่าเนี้ยมันไม่เหมาะที่จะเอามาทําความเพียรให้เกิดที่สบายแห่งจิตและไปสู่ความสงบและไปสู่ปัญญาเพ่งเป็นนิตที่ละเอียดเราควรจะต้องจัดการกับกายนี้ให้มันดีมันงามขึ้นท่านก็เลยหันมาบริโภคอาหาร และพวกปัญจวัคคีย์ทั้งข้าก็หนีจากไปในคืนก่อนที่จะตัดสรูพระองค์ก็เลยได้ฝันลองไปเปิดสุบินสุพมนวักปัญจาการบาอังคุตานิกายพระตัปิดกเล่มที่ยี่สิบสองข้อที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกหน้าสองร้อยหกสิบเจ็ดราก็จะได้พบแล้วพระพุทธองค์ก็ได้พยาก่อนได้ทำนายได้เล่าเรื่องนั้นให้พิสุตั้งหลายฟังว่าดูก่อนพิสงหล พอที่เราฝันว่าตัวเราเองนอนอยู่บนพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลคับแผ่นดินหัวเอาเขาสินีรุราชเป็นหมอนมือเท้าทั้งสี่ทั้งสองข้างไดย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสี่เพราว่าพเรายพยายามใช้จำนวนชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้ว่าตามพระไตรปิฎกอย่างนั้นตลอดไปขอให้เป็นเขาคงเรื่องอย่างเดียวกันอะไรต่างๆเพราะว่าในสำนวนของพระไตรปิฎ ก, กมันซ้ำซากคนสมัยใหม่ ฟังแล้วก็เบื่อหน่ายนั่ง น, นะครับบางคนพระบางองค์เนี่ยพระผู้เฒ่าบางองค์เบื่อเลยอ่านแล้วก็วางจักแม่นหยัง่งวัจฉ์ว่เป็นภาษาผู้ไทยอันใดก็มีแต่ภิกษุหลากหลายภิกษุหลากหลายอความจองความบรรทัดนึ่งสมบรรทัดพิกษุทั้งหลายอีกแล้ววันนี้มาจักความเว้ารุดเศร้าโบจักอ่านว่าสั่งคืออยากได้ก็มีจะเป็นภาษาพี่น้องชาวผู้ไทยเรา ข้อที่เราฝันว่าร่างกายของเราใหญ่คับแผ่นดินเขาเส น, นดุราชเป็นหมอนมือเท้าหย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบแขต น, นั้นเป็นนิมิตให้เรารู้ว่าเราจะต้องตรัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระธรรมคําสั่งสอนของเราเนี่ยจะครอบความศาสดาทั้งหลายทั้งหมดคนเขาทั้งหลายจะได้รู้จะเกิดประพฤติปฏิบัติตามส่วนข้อที่สองฝันว่าญาคาแทงจาก สะดือทะลุถึงฟ้านั้นเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าคำสั่งสอนของเราธรรมจักอันประเสริฐที่เราให้เป็นไปนั้นจักดังคือก้องตลอดทั้งโลกนี้เทวโลกพรมโลกมารโลกเทวโลกมารโลกพร ม, มลโลกไม่มีใครสามารถที่จะคัดค้านได้เรียกว่าอปภิวััิยงธรรมจักกังกวัาเตตุต้งธรรมะจักอันให้เป็นไปแล้วนั้นไม่มีใครที่จะคัดค้านได้ ส่วนข้อที่สามที่ท่านฝันเห็นนอนเขาขาวตัวดำๆไตเข้ามาย้อยเยืยตั้งแต่เท้ากันมาหัวเขาสโตเสตากิมีกันหาศรีรษะนอนขาวหัวดำท่านท่านกล่าวว่าต่าไปประทับคำสั่งสอนเขาเราได้กระจายไปทั่วทิศแล้วบุคคลที่เป็นคารวาทยังปกครองยังครองบ้านของเรือนมีลูกมีผัวมีเบีย้ยกันตนั้น เขาจะสละเวลาชั่วครู่ช่วยยามมาบวชนุ่งขาวห่วมขาวยังหัวดำๆมาประพฤติสมณธรรมเจริญอุโบสถสังฆกรรมเจริญสมณพ ร, รมนาบสมณธรรมสมาธิภาวนากันแล้วเขาก็จะนุ่งขาวห่วมขาวเลือหัวดำๆไว้กูถึงตัวนี้ก็นึกถึงวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมที่วัดแม้นอนตัวขาวขาวหัวดำๆมากันไกล จากนาคปรปฐมจากชุมพรทางเหนือมาตั้งแต่แม่ห้องสอดแม่นัดพบผู้ฝ่ายทำกันจริงๆห้าร้อยกว่าคนมารวมกันที่วัดใต้รามา่มไม้เงียบไม่มีแม้กระทั่งเสียงจะไอจะจามก็แทบจะไม่มีในเวลานั่งสมาธิสี่ชั่วโมงตอ น, น, นหนึ่งวันนนึกถึงคำฝันที่พระศาสดาได้เคยฝันว่าสโตเซตากิมีกันหาตีซาประเทหิอัศก ah ิตตวะ ยาวชานุมันธราปฏิชาเถรสงนอนตัวเขาวขาวหัวดำดำคานขึ้นมาตามท้าจนถึงเข่าของเราแตะทาโคตเปรียบเหมือนผู้ที่จะมานุ่งขาวห่มขาวชโจกู้ช่วยยามประพฤติปัจจัยบัตทำสมาธิภาวนาฝึกเนื้อฝึกตัวสร้างสรรบารมีซึ่งตอนตอนให้เจริญก้าวหน้านำวิธีชีวิตให้ไปสู่สิ่งที่ดีที่งามตามคันลองครองธรรมของพระศาตรา ส่วนข้อที่สีที่บอกว่านกสีต่างๆดินมาเศรษฐิสมอบลงต่อเบื้องพระบาทและกลายเป็นสีเดียวกันจัตตารโสกุลานานา น, า น, า น, านาวันนาจจตูหิติสัยหอาการตวาปารธมูลเลนิปฏิตตวาสัพเพเตตาสัมปจิงสูงทั้งหมดนั้นท่านกล่าวว่าจะมีบุคคลจากตระกลูลต่างๆจากวัณณนะกษัตริย์วรรณะนนะพราหนะมณนะ์วรณณนะแพทยวรณณนะนะส จะเข้ามาบวชในธรรมวินัยของเราแต่ถาคตกลายเป็นผู้หม่มีวันณนะเววันนิยมเี้ชูประคะโตเราเป็นผู้ปราศจากทอดทิ้งแล้วซึ่งวันนะมาเป็นสีเดียวกันสีเหลืองหน่งขาวห่มขาวก่อเหมือนกันมาหน่นงเหลื อ, องหน่งห่มผ้ากาสาบาพัดอันเดียวกันอยู่ในธรรมวินัยอันเดียวกันเหมือนนกคนละสีมาต่างทิศทั้งตีมามอบลงกลายเป็นสีเดียวกันนี่ฮั่นก็รู้ว่าอย่างเนี้ยส่วนข้อที่ห้า ลาบตะกะละเสียงเยินยอเปียบสเสมือนกองปฏิกูลสกปรกโสโครกแห่งอุจจาระมูดปูดเราเหยียบไปกองเขา้าภูเขาไม่แปดเพื่อนจิตใจเราจะไม่สยบไม่มัวเมาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับลาบสักะละเสียงเยินยอได้มาเราไม่ได้ดีใจเสียไปเราไม่โศกเศร้าทุกคนธรรมาดามาเว้ามาอ่อนมาบอล มากรามาไหวสรรเสริญยจรย อ, รยอรเทวดาป่าดินให้ความเคารพสรรเสริญแต่บุคคลบางคนไร้ข้าล่ฟันอย่างองคุลิมานอย่างพระเทวทัตกิ่งกอดหิดมาใส่โป่งจองร่างจองฐานปล่อยช้างธนาบานมาไล่ข่าไล่เหยียบและก็ลูกชายพระราหุนทั้งหมดนั้นพระองค์มีความรักเท่ากันเทวทัดตดำหิองคุลิมาละโจเลหธนปาราเกราหุเลจะสัพพะสะสมามานาโส ไม่ไว่าจะเป็นช่างธนาบานที่ไร่คาพระเทวทัตปูกจองล้างจองพันุ์องคุริมาณที่ไหลฟันลาขุนที่เป็นลูกธธประพาัสบมานะโส ổ. เรามีพระไทยสเสเมอเหมือนกันอย่างนี้เรียก ว, ว่าไม่แปลกเปื้อนมลทิไม่ไว่าจะเป็นเสียงสนเส ร, ริญเจรยอนินทาว่ากล่าวเมื่อเขารัณเขาก็ชมเขาใหม่นิยมดาหัวไทเบืองไทยเมืองพวกโอสัมพีเดินขบวนดาทั้งเมืองพระองค์ก็ใม่กอดทั้งหมดนี่เป็นความฝันข้อที่ห้า ความฝันที่เป็นจริงดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีให้เราเห็นในเรื่องราวของศาสนาแต่ความฝันที่ไม่เป็นจริงก็มีเยอะแยะนะเราจะไปสนใจเพราะความฝันที่จะเป็นจริงมันต้องมีเหตุดังกล่าวมาแล้วห้าหกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิงพระทรงองค์เจ้าที่เพ่งสมาธิภาวนาศึกษาธรรมะเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังในป่าในเขาในกระท่อมคนเดียวไม่ดุ้งเกี่ยวกับสิ่งใดเนี่ยบางวัน จิตใจท้อแท้หดหู่รันทดอว่าเรานี่ทําไมน้อช่างอาภัพวาัตนะเลยเกินประพฤติปฏิบัติไม่ย่อหย่อนและไม่เห็นจิตใจเจริญเต้าหน้ามีแต่ฟุง้งหลังจากฟุ้งบางทีก็ใหม่ไม่มีความสุใจเบื่อหน่ายแต่จิตใจของมีสตาเพ่งทําได้ร้องไห้น้ําตาไหลหนองหน้าร้องไห้ในการประพฤติพรหมจักแต่เสร็จแล้ววันหนึ่ง จิตของท่านว่ามันทุกเต็มที่มันฟุ้งเต็มที่มันก็อาจจะเป็นโสความสงบแล้วก็อาจจะฝันก่อนนั้นเนี่ยเมื่ออาจจะฝันมาบอกให้รู้ว่าจะเป็นอะไรอาจจะฝันได้เพาะเฮิร์นเดินอากาศดังกล่าวแล้วหรือฝันเห็นอาสมเห็นกระถ่อมปลาเขาลำนาวไพช่วยสดพลดงามเห็นแม่น้ําที่ใสแล้วก็ได้เราได้เรือได้แพนั่งไปในแม่น้ําผ่านไปจะกข้ามไปนั้นท่าฝันอย่างนี้ก็แสดงว่าการ ปฏิบัติธรรมกำลังจะเจริญก้าวหน้าแล้วความวุ่นวายฟุ้งซ่านลำคาญจะสงบลำงับลงเหมือนระดูการแห่งดินฟ้าอากาศเมื่อแดดออกแล้วฝนตกฝน ต, ตกแล้วก็แดดออกเมื่อมีน้ำแล้วก็มีร้อนจิตใจวุ่นวายแล้วมันก็มีซ้างบเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละอันมันจะฝันอย่างเนี้ยที่พระพุทธเจา้าท่านบอกว่ามันจะเป็นบุพนณมิตมาให้บุพนณมิตโตบุญบาปทำไว้ปรากฏให้เห็นหรือมันจะก้าวหน้าอย่างไรเนี่ย มันจะเป็นไปเองทำให้เราได้เห็นหรือบางทีเทวดาสังหรเทวโตประสังหารโตเทวดาสังหรบอกเหตุให้ลูกหรือว่าปุพันได้มีต่ออานาจบุญบาปต่างๆเขาก็จะบอกให้ลักษณะเช่นนี้ดังที่นางมัทีฝันนั่นดังที่พระเจ้าสนชัยฝันพระเจ้าสนชัยฝันก่อนที่จูชคจะนาหลานเข้ามา สุภโพบรมหาราชวังกรสีพีเชตุดอนคอนครที่รุ่งเรือง้วยโพกขนนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยในคืนนั้นนอนหลับไปฝันฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งกำลังแย้มบานดอกหนึ่งกำลังตูมเต่งกำลังน่ารักพอได้รับดอกไม้เท่านั้น ดอกบัวนั้นก็ร่วงพลูลงมาตีบก็ดีเกสรก็ดีเปลยสลายร่วงลงมาสู่ระส่อกแล้วก็หอมกลุ่นไปทั้งปรบรมมหาราชวังชามาแปลกใจเอาหอนหลวงประจรําราชสํานักมาทํานายทายทักก็บอกโอ้พระสุกเ ข, ขาพระเสาแสกจําแนกเค้นไม่มีอาเพษครอรมสมราสีอะไรหากจะเป็นโชคดี บุคคลที่รักศีรษะหาหลูกล้านจากไปไกลๆจะมาปรากฏให้เห็นในท่านในชื่นชมยินดีพอสายๆมาชูโชคก็จูงเด็กสองคนเข้าไปเนี่ยความฝันเหล่านี้มีแต่เราไม่เคยจะสนใจกันเจนี่มาดูความฝันอีกอันนะ่ในสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยังมีพระชนมายุจบทรงจำพรรษาที่เชตวันมหาวิหาร อารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์เกลื่อนกลนไปด้วยผู้คนผู้ไฟทาไปสแสวงศึกษาธรรมอารามอันนี้เป็นของเศรษฐีใจบุญชาวเมืองสาวัตถีคือนายสุทัศน์ได้ไปซื้อสวนตาเชตแล้วอมาสร้างเป็นวัดตังจังวัเชตตะวันมหาวิหารตลอดเวลายี่สิบกว่าปีพระองค์ทรงกเกมพระสาํารามพเาใสยเชตตะวันมหาวิหารนานแต่กนาน ประกาศธรรมของพระศาสดายิ่งใหญ่ไพศาลนะักแล้ววันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองกรุงสาวบถีแขวนโกศล่ว่าพระเจ้าปเสนที่โกศลก็ได้เข้ามาหาตอนเช้ามืดเลยมาแต่เชา้าฝันไม่ดีฝันไม่ดีในพระไตรปิฎกจารึกไว้ในมหาสุบินนชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเจ็ด ข้อที่เจ็ดสิบจหาง่ายหน้าที่ยี่สิบสแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรบอกว่ามันเป็นความฝันและพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยในขณะนี้หาไม่ได้แต่จะเป็นในโลกนี้ในอนาคตแล้วมันก็จบเอาเรื่อง่วนแค่นี้ถ้าเราจะต้องอาศัยลายละเอียดเหล่านี้จากอัฐกถาจารที่อธิบายขยายความไว้ที่นี่มันก็มีเขียนไว้ทั้งในภาคภาษาไทย กลางของเราเขียนเป็นสำนวนเป็นกราบเป็นกอนให้เราได้รู้ให้เราได้รู้แล้วก็สอนคนรุ่นหลังคือคนสมัยก่อนไม่ค่อยได้หนังซืออ่านหนังสือกันไม่ค่อยจะออกใครจะพูดให้กันฟังเฉยๆมันก็จํากันยากฟังพอเข้าใจแต่ก็ยังจํากันไม่ได้ก็เลยทําเป็นกราบเป็นกรอนอย่างทางผ้ากลางของเราก็ทําเป็นกอนทางผ้าอีสานไม่ได้ในประเทศลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศลาว พี่น้องสองฝ่าฝังแม่น้ำของอันเป็นรุ่มน้ำที่จะเริ่รุ่งเรืองด้วยไ ม, ต, มตรีจิตวิถีภาพสันติภาพความสงบปล่มเย็นสองฝากฝั่งของอันนี้เคยมีมาเป็นเวลาชาตินานก่อนอื่นใดในใจกลางของสวรรค์นะผมจะเรียกแขบนี้เมืองนิ้ว่าดินแดนสีโคตบูลหรือว่าสีโคตมะปุระดินแดนที่จะเริ่รุ่งเรืองสงบปล่มเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณะขรร บริเวณนี้ตั้งแต่อาณาจากักรลานชาวเมืองหลวงพระบางรัตนบุรีเมืองชวารวตรัตนบุรีสีคนาดขุดโนนเมืองหลวงพระบางก็มีเขียนกันมาจนมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็อพอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องหมดไปไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังแต่หนังสือเก่าหนังสือผูกอะไรต่างๆเนี่ยยังจารึกยังทําอะไรไว้ย เราไปเปิดมหาสุบินในชาดดอกเอกันนิบาทคุตการกายเล่มที่27ข้อที่77หน้าที่24มีคำภาษาบาลีที่จัดเป็นข้อข้อความฝันว่าอุสุภาลุค่าคาวิโยขวาจะอัดโสกังโสิคาลีจะกุมโพโพคลนีจะอัปากจันทนังลาบูนิี่ทันติศิลาประวันติ มันทกิโยกันหักสเปคิลันติกาการสวนราปริวารยันติตาสาวกาเอลกาหนังปยาหิปริยาโยวัตตินายทามัทถิติจบแค่นี้สุดท้ายมาลงท้ายว่าวิปริยาโยวัตตินยทามัทถิติบอาว่าปริยายนี้จะเกิดขึ้นในขณะนี้หามิได้แต่จะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคต อันนี้มีการเขียนไว้กันเกลื่นทั้งในภาคกลางในภาคอ่าอีสานนี้ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยกันสองฝ้าฝั่งของเรามีวัฒนธรรมเรามีวรรณกรรมอันเลิศเยอะแยะไปหมดกว่าที่อื่นใดที่สุดไม่แพ้ที่ใดในโลกในคนโบราณคนอีสานของเราก็เขียนไว้ในเรื่องราวอันนี้แหละที่ว่าพระจ่าประเสริฐที่โกศลฟันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง ฟันเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดต่างๆอย่างอุสุภาลูกขาคาวิโยขอเล่าเรื่องให้ฟังสักนิดก่อนแล้วค่อยๆไปย้ายความกันว่าความฝันนี่จะเป็นจริงยังไงอุสุภาเป็นชื่อของัวฟันเห็นงูอุสุภาลา่าสี่ตัววิ่งมาในทิศทั้งสี่และคำรวมคำรามร้องเหมือนฟ้าจะถลม่มจะชนกันให้ได้ประชาชนต่างก็ลังไหลิกันเข้ามาดูเสร็จแล้วมันไม่ชนกันตรอมันก็แยกไปคนละทิศละทางข้อที่สองลูกขา ฝันเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆแค่คือเป็นดอกแค่ซอกเป็นผลมันทำไมเป็นผิดปกติพี่คนพีการอย่างนี่ยังไม่ต้นโตโตก่อที่สามคาวิโยคาวาจะฝันเห็นแม่โคออกลูกมาวันเดียวไปจะดูดนมลูกในน้อยมั น, นแม่มันจะกินนมของลูกลูกก็เลยไม่ให้แม่กินมันก็วิ่งหนีแม่เก็วิ่งตาม มันผิดปกติซึ่งมันไม่เคยมีอย่างนี้เฮคอตี C. C. ก็ฝันอีกว่าอัศโ์กังโซสิคาลีอืมอัศโ์กังสองฝันเห็นมาสองปากสองปากมีดากเดียวนะกินก็เป็นสองปากจะทายออกมาข้างเดียวกินถ้ไหลายไม่รู้จกอิ่มจกพออันนี้อีกอันหนึ่งต่อมาอีกท่านก็มาฝันเห็นโม่อนามโม่หนา เขาตั้งไว้เรียงรายฝ น, นฟ้าตกมาหม้อเล็กๆไม่เต็มแต่หม้อใหญ่เสือกล้น <c oughs> นี่อีกอันหนึ่งอีอนหนึ่งฟันหินสะนามมีดะตะดอกบัวบานงดงามแต่ภายนอกเนี่ยใสแต่ข้างในกับขุ่นค้นแอนดี้มันจะใสข้างในข้างนอกจะขุ่นข้นแต่นี่ข้างนอกสดใสข้างในก็ขุ่นข้น แล้วก็ฝันต่อไปฝันเห็นเขาเอาไมา้แก่นจันแดงซึ่งมีราคาแพงๆที่สุดเอามาแลกกับ น, นมเปรี้ยวด้วยถาดทองคำเอามาให้สุนัขนั่งเนี่ยฝันเห็นผู้ชายฟันเชือกเตยหนังตอนตะวันจะเย็นๆฟันลงไปฟันลงไปหย่อนลงข้างล่าง มีนางสุนัขนั่งอยู่ข้างหลางกัดกินกัดกินกัดกินฟันเท่าไหร่ก็ไม่จาหมกไปเนี่ยฝันเห็นลูกน้ำเต้าแห้งๆกลวงแต่จมลงไปในน้าไม่ปู่ขึ้นมาแล้วก็ฝันเห็นแันหินใหญ่ๆเหมือนภูเขาดันลอยน้าศิลาประวันติดอืมศิลากรนขดานหินนักหมื่นลอยลองน้าพูขึ้นจังตาโน่างนี่ ลาวูนิสีทันติห่าควันเต่าหน่อยหน่วยแหงเนี่มันอยู่บนบ็อกกลับเกิดเป็นของนักจุ่มจมล่เพื่อนศิลาประวันติศิลาก่อกระดานหินนักเมือนกลับล่อยลองน้าผู้ขึ้นจังสโนต่อมามันทูกิโยกันหะสเปคิลันติฝันเห็นงูห ง, งูพิษวาดกลัวนางเขียดน้อยไล่กัด กบเขียดห่องประฮ้องอ่านโค้งสารฟุงมุ้งงูเผาพิษเนี่ยกลัวเก่งยากเดี๋ยวจะต้องอธิบายกันทีหลัง<ม>ต่อมากากรังสวรรณาปริวาระยันติหงค้ำนบนอบไหวคันมานบนอบไหวเป็นแหล่งให้แก่กาเพราะฉันมันตรงกันที่เรีย้ยวขวากบเกียดหน่อยเพราะกันอ่านโค้งศารฟุงมุ้งูเผาผิดเนี่ยกลัวเก่งยากหนูสิ่งทรตะบ้าหาแมวบกดำก่มกลาบ ของสนบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แก่กาบริวารกาหมู่หมู่ของมันนั่งลอบล้อมหมู่เป็นบริวารกาท่าปาตะสาวกาเอละกานังพยาหิฝันเห็นนางแพะบระิโนยฝันเห็นเนื้อไล่กัดเสือเสือโคงพากันยันเสือโคองหนบหนอบไวหวขะน่าเนื้อหมู่สมัน แปลกประหลาดที่สุดไอ้เรื่องของมันยาวไปยิงกว่านี้ในเรื่องล้านนั้นนะเราเอาไว้ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพอฝันอย่างนี้เสร็จปั๊บเรียบร้อยตื่นมาก็หวาดกลัวเลยให้หอนหหนหลวงประจำพระราชสำนักมาทํานายทายทักเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นใอ้พวกหมอหอนหมอทานายเนี่ยหมอดูคู่หมอเดารูไม่รู้ไม่รู้รละ แกมาฉันก็จะเดาขอให้แกเอาเงินมาจ้างฉันก็แล้วกันยิ่งพระเจ้าอยู่หัวมาให้ถามดีเวย้ยมันต้องมีคําตอบไม่ตอบไม่ได้ขายขีห้หน้าเป็นโหรหลวงเดี๋ยวจะถูกตัดคอในที่สุดก็ต้องทํามาประสุขขา่าพระเส้าเสกจำเนเืเหตเกิดอาเพศเคาะลุมสมราศีขอเดชะพระบรารมีตัวปกเ้าปกปกระหม่อมอจะมีสามมันตราต่างนาครยกพระโยคหแสนยากรมาช่วงชิงพระราชาอํานาจจะเขนฆ่า พระบรมวงศานุวง์ยึดราชสมบัติยึดบ้านของเมืองไพ่ฟ้าอาณาประชาราชจะเดือดร้อนทุกย่อมยาพระองค์จะต้องแก้บนว่าเขาไปนั่นตรองบนบานสามก้าวเจ้าถุงเจ้าทาเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าบ้านเจ้าเมืองทํำยังไงคนก็ยิ่งหวาดกลัวบอกพระเจ้าอยู่หวัวว่าเอามามาร้อยตัวช้างมาร้อยตัวมาแพะแกะมาอย่างละร้อยมาเชิดคอบูชายันนอกจากนั้นเอาเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอย่างละร้อยเอามาฆ่า เชื่อคอเอาเลือดแล้วเหตุการณ์นี้จึงจะผ่านพ้นไปเคาะทั้งหลายจะพ้นไปพูดถึงตอนนี้ก็นึกสงสารพี่น้องชาวบุญของเราที่ยังงอเขาเบาปัญญาเดี๋ยวพระสงฆ์องค์เก่ามาจากต่างถิ่นต่างที่เดียวมาแล้วมาสะดอกเคาะมาตัดกำตัดเวรมาเสริมสเสน่เสริมมงคลชุดน้อยชุดใหญ่มาขายลูกพระคำมาขายดอกไม้ถูกเทียนอ้าวเดี๋ยวพระเตี่ยมาแล้วเดี๋ยวค่ะยาวมาแล้วเดี๋ยว พภาษีอันเกิดขึ้นแล้วซาละพัดอย่างความโง่อของขนก็พากันหลังไหลไปแล้วมีพระสงฆ์องค์เจ้าสักองค์เทศปลุกสำนึกให้ตื่นขึ้นพอจะตื่นขึ้นนอนก็ไปคว้าเอายา น, นอนหลับมากินกินชนิดนี้จะตื่นมาปลุกตื่นขึ้นออกไปกินยี่ห้อใหม่ไปเรื่อยเดี๋ยวยี่ ห, อห้อนึงมาตัดกําตัดเวรเดี๋ยวยี่ห้อต่าเดี๋ยวยี่ห้อสูงเดี๋ยวยี่ห้อยาวเดี๋ยวยี่ห้อสั้นเดี๋ยวยี่ห้อดําเดี๋ยวยี่ห้อแดงมาแล้วมาเอา แส่ประกรรมมาเคาะหัวซะสะเดาะเคาะ้าแล้วก็หมดเงินไป เ, เขานั่นได้เงินเราเองก็มีเคาะคือเสียเงินเพิ่มขึ้นและก็โง่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานเราทุกอยากลําบากกว่าชาติอื่นทุกอย่างลําบากกว่าแหลนอื่นที่สุดก็เห็นว่าอะไรจะทําให้เราดีขึ้นให้เรางามขึ้นก็หลางลายกันไปก็เลยไปเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนเองไปเรื่อย แทนที่จะได้สเสน่ห์กลับได้แต่สันเนียดจังไรแทนที่จะได้มงคลกลับได้แต่อปามงคลมันเป็นอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันพระยาประเซนที่โก่อสนแทนที่จะมีมงคลพอฟันเห็นสิ่งเหล่านี้โอยหวาดกลัวเขาบอกว่าเอาช้างร้อยตัวมาร้อยตัวแพะแกะอย่างละร้อยเด็กผู้หญิงผู้ชายอย่างละร้อยเอามาผูกมัดไว้กับเชือกขอบูชาดันจึงจะหายเคอะหายโซายหายโลหายภัย ว่าครับเป็นนั้นประเจาแผ่นดินก็ใช้อำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชเอาช้างร้อยตัวมาร้อยตัวแพะแกะมาผูกพระหนึ่งพึ่งพืชใต่หลักไว้หน้าพระหลาดหน้าพระหน้าพระลานหลวงหลังจากนั้นก็สั่งให้อำมาบริวารไปจับเด็กผู้หญิงผู้ชายอย่างละร้อยพระเจ้าแผ่นดินสั่งลูกใครไม่ว่าเพราะบ้านเมืองจะเกิดพินาศอาเพศเหตุภัยแผ่นดินไว้ผูกเขาไฟระเบิดเกิดสงครามสามมันตราต่างนครยุคพระยุคหัสแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจ ฟังมาป้าก็ว่าอะไรยังพอว่าไอ้เด็กๆซึ่งพ่อแม่รักปานดวงตาปานหัวใจถูกอำนาจบาทใหญ่ของพระราชามหากษัตย์สั่งจับมาเพื่อจะฆ่าบูชายันเสียงร้องไห้ปริเทวนาการคืนของพระทมทุกของปวงสัตว์หมู่มนุษย์ก็ร่ำไห้ดังคกือกล้องเสียงสะอื้นทั่วทั้งสาวกทีพระนางมัลลิกาอาัคมเหสีราชเทวีกาลังนอนหลับ ถ้าดุ้งตื่นตอนเช้ามาตื่นจากบันทมได้ยินเสียงคร้องหม่มร้องไห้ถามสนมนารีนี้มันอะไรกันแน่เมืองนี้ทั้งเมืองเต็ ม, มด้วยความทุกข์เหมือนกับอยู่ในห่วงแห่งมหันตภัยยิ่งใหญ่กว่าน้ําท่วมพายุเกทลมปักใต้ยิ่งใหญ่กว่าแผ่นดินถล่มท่วมบ้านกระทูนปักใต้บ้านเหราซะอีกนางนี่ก็ถามโทนสนมนาเลก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ พระบาทสมเด็จพระจักอยู่หัวสั่งเอาเด็กมาอย่างละร้อยละร้อยฝ่ายยิงฝ่ายชายเพื่อจะมาฆ่าเฉิดคอบูชายันเพราะว่าพระองค์ทรงสุบินนิมิตไม่ดีฝันไม่ดีฝันร้ายอย่างนี้อย่างนี้แหมมาถึงตรงนี้เองพระนาง ม, มริกาจะแจ้นไปเลยสาเดชพีทาไมทำอย่างนี้ถ้าเราตัดสินใจอย่างมีความเดือดร้อนวุ่นวายมันเกิดขึ้นความจริงนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมาจากการกระทําของพวกเรา ถ้าหางมันจะตายจริงๆให้เราสองคนตายแล้วคนทั้งหลายเขายังอยู่จะไม่เป็นการเบียดเบียนใครเลยขอพระ อ, องค์ทรงได้คิดใหม่ทรงได้คิดได้ดําริใหม่พระภู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระทับกเกษมสํมาราญอยู่ที่เชตวันมหาวิหาร ต, ตรงนี้ทําไมเล่าเสด็จพี่จึงไม่ไปถามพระ อ, องค์พวกมโหฬารเหล่านี้จะนี้จะเก่งไปสักขนาดไหนขอให้พระ อ, องค์จงไปไปถามดู พอนึกได้อ้นี่นี่อเรียกว่าพันระยะที่ดีระจาเประเซ็นที่โกศลกันเลยได้สติขึ้นมาได้สติขึ้นมาก็เลยต้นไปที่โน่นเลยไม่รู้จะทํายังไงก็เลยไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่ามหาบ่อพิษราชสมพานความฝันทั้งหมดนั้นนะ่ะมันจะ ไม่มีปริยายทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้หาไม่ได้แต่มันจะเกิดขึ้นแก่โลกเนี้ในอนาคตท่านไม่ต้องหวาดกลัวแต่ในอนาคตนั้นคนจะเสื่อมตามศีลและธรรมศาตนาจะใกล้จะหมดจะสิ้นไปแล้วก็จะเกิดปัญหาต่างๆโดยชนิดติลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเต็มไปด้ยวยความเห็นแก่ตัวเอารัด เ, เอาเปียกกดขี่กมแห่งสิ่งกันและกันจะเบียนเบียนกันจะเข้นฆ่ากันทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจโลกจะเกิดเดือดหอนเที่ยวคุณ โลกซิเกิดเดือดห่อนสมใหม่ดังไฟโลกจึงเกิดเดือดห่อนเขียวคุณอลาหนข้อบกคนบอถือธถ้ำที่พระพุทธ อ, องค์ส่งสอนใบองคพระศรัทธาไทยผู้ทรงญาณโอหอมคีตมาท่างหนาปุ่นเมืองบานตีบุญไหวเขาเขียนไว้อย่างนี้ในหนังสื อ, อเป็นภาษาลาวหนังสือไทยน้อยหนังสือตัวธทำใบลานซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ คนภาคอีสานก็ดีคนประเทศลาวก็ดีได้รู้จักกันดีในสมัยก่อนผู้เท่าผู้โอแต่ในสมัยนี้ก็เลือนลางจางคลายเลื่อนหายไปไม่มีคนสนใจคนสมัยใหม่ก็อ่านไม่ได้ถ้าจะดีก็เรามาเขียนมาถอดออกมาเป็นหนังสือเป็นตัวหนังสือเป็นภาษาไทยอาดามาก็ยังคิดว่าจะต้องปริวัดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาถ้ามีเวลาพอแต่ในนี้เวลามันไม่พอ แม้แต่จะบันทึกเสียงสักชโชบงหนึงก็มีจากคนมาหาหน่อยแล้วก็ออกไปแสดงคําต่างสถานที่บางทีก็ต้องทําใจจืดใจดํำไม่สนใจใครเลยเข้าห้องบันทึกเสียงบางศึกษาควนควาไหลบางคนมาผิดหวังกวจะมาด่าเอาอะไรต่างๆพวกนี้โอ้โหยากเย็นเหลือกเกินแหะเรื่องของเรื่องเพราะเหตุนั้นเราก็น่าจะได้มาพูดกันในเรื่องอย่างนี้ให้ให้คนของเราได้เข้าใจว่ามันจะจริงจะเท็จประการใดเนี่ยน่าศึกษาคนโบนราณท่านมันจะคนงมงาย ถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไระเลยท่านคงไม่เขียนขึ้นมาท่านบอกวา่าเมื่อนาพุนเมืองบานตีบุญไหว้พระเพื่อเห็นเหตุหายหลายอย่างปวงมนุษย์ไกล้ๆขอนสาสนาพุทธค้นจิตกองกันตายดังขอนเขาปั๊มพระผู้ทรงทําได้สร้อยยันตัดตองเพื่อให้ผงพี่นองพ่อขล้วให้หินตองพระพุทธองค์ทรงเทศดไวยข้าวขีดก่อนหลังต่างแต่ขังพระพุทธบาทโคดมยังคอยสรงพร ะ, กะเกษมํารานอยู่พระเจดตะวันพุ่น องมหากษัะสะไทยปเสนพญายิย่สาวัตถียิย่กว่างพระองค์เจ้านางปองภากกระส่งเสบต่างเพระสราดข้องมืองถือสินร้ำเทียงจริงจำมันในคืนนั่นพระองค์ฝันประหลาดต่างนี่ละมิดนั่นพ่อขอนไกลขันจนจะสว่างพงไก่จนจะสว่างแล้วฝันออกเกินวาสบันฝันต่างนิมิตเหลือที่ทุ่นทุ่นคิด องขัญ ห, หาแจงพระกะ็แย่งไปไหวสพนุให้ตะตองคล้องพระฝันประหลาดหลาวข้าวนี้่นปันไงเดโนมีืนเขียนกันแบบนี้ในในในในสมัยโบราณในหนังสือผูกหนังสือไบลานแต่ไม่ได้เล่าเล่าไปถึงว่าเอาคนมาผูกมาจองเพื่อจะเชิดอขอบูชายันแก่บนบานสารเก่าวเพื่อจะทําทํำลายอาเพศเหตุภัยเหล่านั้นสะเดาะข้อแต่พูดรู้ว่าเมื่อฝันแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าเลย แต่ในระดับอสกถาเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องนี้จะเอาคนมาฆ่านั่นจะมีคําว่าแพะรับบาปแพะรับบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝันอะไรจะทําทอะไรเนี่ยจะต้องมาแก้ บ, บนบานสังเกล่าวคนที่เดือดร้อนสัตว์ที่เดือดร้อนคือแพะในประเทศอินเดียแพะเยอะนะเอาแพะนี่แหละมาฆ่าบูชาหยัน่นจึงมีคําพูดตอปากมาว่าแพะรับบาปแพะรับบาปใครฝันอะไรไม่ดีเลยอาเพศให้ภัยไม่ดีเลยอะไรต่างๆเอาแพะมาฆ่าอีกแล้วจึงมีคําว่าแพะรับบาป ทีนี่พนางมาริกาก็ได้บอกพระเจ้าเยหัวเปเทนที่โกสนว่าเราน่าจะไปที่เชตะวันหาพระศาสดาอาเพศเหตุภัยต่างๆมอโหสเหล่านี้คงไม่เก่งเกินพระศาสดาแน่ๆก็เลยไปหาพระพุทธองค์ก็บอกว่าโอ้นี่มันไม่เป็นอะไรหรอกในยุคของพระองค์ไม่เป็นอะไรพระพุทธองค์ส่งบอกว่วยวาวิปริญาโยวัตตินายทะมัที สีบอมีเนี่ยใดเกิดเป็นเคสหายประการใดใดแทะปัจจุบันสบายอยู่ปจัจจัยโลกเกออนาคตัสมิงหากจะเป็นเหตุหายไพน์หนาโลกคน้นหันเอ้ยเนี่ยว่ายอย่างนี้ปจัจจัยโลกเกอนาคตัสมิงแต่เป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตในขณะนี้ยังไม่มีอะไรแค่ว่ายอย่างนี้ปจัจจัยโลกเกอนาคตัสสมิงหากจะเป็นเหตุหายไพน์หนาโลกคนโลกทีเกิดเกิดเดืดเดอดพอนไฟสิไหมจีเผา พ่อเท่านั้นท่ากระไขโอบแกว้วเทเทตะนาถมบอมเป็นข้ขามั้วหากาวมามีแจ้งคนแสดงไขไหวในถ้ำหมวดพสูตรมหาสุบินชาดกบอกไว้ไขหงวเหลืองเล่าเอกาในบาทแห่งกระสุดหมวดขุดตกนในกายพระไตรปีดอกบาลีเหลี่ยมทีทราบเจ็ดนั้นข้อทีเจ็ดสิบเจ็ดผอมทั้งห้อมลงหนาทราบจีเพิ่นได้ซีบอกไว้ให้เข้าหูปัดเขื่อนรุ่นอันมีปูขาวว่าเอาเองเด้อเห็น๋่าเอาเองก็เอาจากพระไตรปีดอกนั้นแหละ คือต้องการหลักฐานสมบูรณ์แบบทั้งทางเทคนิควิชาการ